ที่ของใจจิต ท, ที่อาศัยอยู่ในร่างกายนั้นอยู่ในฐานะเป็นนายของร่างกายคำเปรียบเทียบเก่าแก่และยังเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาก็คือคำเปรียบเทียบที่ว่าร่างกายเปรียบเหมือนเรือนใจเหมือนเจ้าของซึ่งหมายความว่าใจแม้จะเป็นผู้อาศัยร่างกายก็อาศัยในเชิงเป็นที่พำนักเท่านั้นแต่การบริหารกิจการต่างๆในร่างกายขึ้นอยู่กับใจถึงสิ้น ร่างกายของคนเราเป็นธาตุผสมเช่นเดียวกับวัตถุที่ผสมขึ้นด้วยธาตุชนิดอื่นๆเช่นต้นไม้หรือเถาวัลย์แต่ร่างกายของคนมีข้อแปกคือนอกจากจะถูกผสมขึ้นด้วยวัตถุธาตุธรรมดาแล้วยังมีธาตุกายสิทธิชนิดหนึ่งสิงอยู่ด้วยคือใจงานของใจข้าพเจ้าได้อธิบายมากแล้วในหนังสือปฐาฐกถาเรื่องจิตไม่น่าจะนามาพูดในที่นี้อีก เพราะจะทำให้รถของเรื่องเขวไปกลายเป็นพูดมากเข้าว่าผิดแนวทางของข้าพเจ้าแต่ถ้าจะไม่พูดไว้เลยถือว่าตัวได้พูดไว้ที่อื่นแล้วก็จะเป็นการลงโทษท่านผู้อ่านหนังสือนี้และคงจะมีท่านผู้ฟังอยู่มากเหมือนกันที่ไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังเรื่องที่ออกชื่อมาแล้วเมื่อเกิดห่วงทั้งหน้าทั้งหลังอย่างนี้จะให้ข้าพเจ้าทําอย่างไร ตกลงเดินสายกลางคือพูดไว้นิดหน่อยดีกว่าไม่ถึงกับทำให้คนเก่ารู้สึกว่าซ้าและไม่ถึงกับทำให้คนใหม่รู้สึกว่าขาดได้ว่าแล้วว่าใจมีหน้าที่ปกครองร่างกายหรือบริหารร่างกายอำนวยการนอนเมื่อง่วงอำนวยการกินเมื่อหิวอำนวยการรักษาพยาบาลเมื่อป่วยอำนวยการตกแต่งเมื่อมีงานนีว่ว่ารวม ถ้าแยกงานของใจออกเป็นเรื่องเป็นราวใจทํางานเหล่านี้คือรับสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจําเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นคิดบังคับปัญชาร่างกายรู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจำงานของใจง่ายๆว่ารับจําคิดรู้งานของใจสีแขนงนี้ตรงกับอาการที่เรียกว่าขันห้ายกเว้นรูปขันเสีย นักศึกษาทางธรรมเข้าใจดีคือตัวคนเราคนหนึ่งหนึ่งนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ5ส่วนคำว่าส่วนนั้นภาษาทางธรรมเรียกว่าขันทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่าขัน5ซึ่งหมายถึงส่วน5ส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นตัวคนคนหนึ่งเพื่อการชงหน์ข้าพเจ้าจะลากเส้นให้ดูประกอบรูปแบ่งเป็นสองฝั่งคน กายรูปได้แก่ร่างกายใจแยกเป็น4เวทนาตรงกับคำว่ารับสัญญาตรงกับคำว่าจำสังขารตรงกับคำว่าคิดวิญญาณตรงกับคำว่ารู้ตามเส้นโยงนี้ข้าพเจ้าขยายส่วนประกอบของคนคนหนึ่งออกให้ท่านพิจารณาคือคนเราคนหนึ่งนี้ถ้าพูดถึงส่วนประกอบอย่างย่อแล้วก็มีอยู่สองส่วนคือกายกับใจส่วนกายไม่มีปัญหา คือเนื้อตัวเราทั้งหมดตั้งแต่ผมบนศรีรษะลงจดเท้าที่พูดอยู่นี้พูดเรื่องใจใจทำงานสี่อย่างนับงานของใจเป็นภาษาพระว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนับอย่างภาษาไทยๆว่ารับจำคิดรู้ตามเส้นโยงนี้ถ้าอ่านลงทางดิ่งจากรูปก็ตรงกับขันห้านั่นเองคือรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโปรดพริจารณางานของใจอีกนิดหนึ่งด้านรับหมายความว่าผลของการกระทําทั้งสิ้นในตัวเราไม่ว่าจะเป็นทําทางกายหรือทางใจเกิดผลเป็นสุขหรือทุกข์ใจเป็นผู้รับผลนั้นใจรับทั้งผิดรับทั้งชอบกายไม่รู้เรื่องด้วยเท้าเดินไปเหยียบฐานไฟก็ใจเป็นผู้ร้อนเป็นผู้ทุกข์คอได้สวมพวงมาลายัย ใจก็เป็นผู้ยินดีปรีดาลำพังร่างกายล้วนๆถ้าชักใจออกเสร็จแล้วก็หมดความรู้สึกไม่รู้สุกไม่รู้ทุกข์ดูแต่คนตายแล้วถูกเขาฝังก็ไม่รู้สึกอึดอัดถูกเขาเผาก็ไม่รู้สึกร้อนใครเขานําพวงหรีดไปวางไว้ให้เต็มไปหมดจะได้ดีอกดีใจสักนิดก็เปล่านอนเฉยนั่นแหละร่างกายล้ว น, วนที่มันยุ่งยากอยู่ทุกวันนี้ ผ้าพแพร่กี่สีกี่ทรงก็ไม่พอทองหยองกี่บาทกี่ตำลึงก็ไม่พอนั่นมันเป็นเรื่องของใจต่างหากสิ้นใจแล้วฟืนไม้แสมสักหอบสองหอบก็พอแล้วด้านจำใจของคนงเรามีสมรรถภาพพิเศษอีกด้านหนึ่งคือเมื่อมีสิ่งใดปรากฏขึ้นในกระแสจิตจิตก็จะจำสิ่งนั้นไวเช่นจำความรู้ที่เล่าเรียนมา จำคนที่เคยพบเห็นกันจำเงินทองข้าวของที่เคยมีจำคำพูดที่เคยฟังและจำการกระทําของตนเองรวมความว่าเมื่อมีสิ่งใดปรากฏขึ้นในใจครั้งหนึ่งแล้วจิตก็จําสิ่งนั้นไว้จะจําได้นานเท่าไหร่แล้วแต่เรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความสะเทือนใจอย่างแรงมากใจก็จําไว้ได้นานมาก ถ้าเป็นเรื่องสะเทือนใจน้อยก็จำไว้ได้ไม่สู้หนา น, นักเช่นคนที่เราได้รับการแนะนำให้รู้จักเพียงผิวเผินเราอาจจำหน้าเขาได้ไม่กี่วันแล้วก็ลืมแต่สำหรับคนที่เราเกิดความรักใคร่พึงใจอย่างแรงมากหรือโกรธเคืองกันถึงขนาดเราอาจจำหน้าเขาได้ไม่มีวันลืมตลอดชีวิตก็เป็นได้รวมความว่าทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวของคนเรา ใจเท่านั้นที่ทำหน้าที่จำเรื่องต่างๆด้านคิดหมายความว่าใจเป็นผู้คิดทำอะไรอะไรต่างๆคิดจะนอนคิดจะตื่นคิดจะกินคิดจะเรียนเรียกว่าคิดไปสั่งการไปร่างกายจริงๆคิดอะไรไม่เป็นด้านความรู้ความรู้เรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตอีกเหมือนกันเช่นรู้รูปที่เห็นด้วยตาสวยไม่สวย สูงต่ำดำขาวสั้นยาวรู้เสียงที่เข้ามาในช่องหูว่าเพราะหรือไม่เพราะเสียงแข็งกระด้างหรือเสียงนุ่มนวลเสียงทุ้มเสียงแหลมรู้กลิ่นที่ผ่านมาทางจมูกว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นรู้รสที่ลิ้มด้วยลิ้นว่าขมหวานเปรี้ยวจืดรู้สัมผัส ท, ทางกายว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งและรู้อาการของใจเองว่าใจจะคิดร้ายใคร คิดจะหลอกลวงใครใจก็รู้ตัวว่าคิดอย่างนั้นตกลงว่าพฤติการต่างๆทั้งทางกายทั้งทางใจใจย่อมรู้เรื่องด้วยทั้งสิ้นหมายความว่าใจของคนเราทำงานสี่อย่างคืองานรับงานจำงานคิดงานรู้งานเหล่านี้เป็นงานละเอียดทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรทำได้นอกจากใจอย่างเดียวเท่านั้นและแม้ในพวกใจด้วยกันซึ่งมีอยู่คนละใจ เวลาทำงานเหล่านี้ก็แยกกันทำคือเป็นเรื่องจำเพาะต่างคนต่างทำจะทำแทนกันก็ไม่ได้ยกตัวอย่างความรู้เช่นรู้จักอา่านรู้จักเขียนใครๆก็ต้องเรียนกอไก่ขอไข่ด้วยใจของตอนเองทั้งนั้นลูกใครหลานใครถ้าอยากรู้ก็ต้องเรียนเองจะถือว่าพ่อได้ปริญญาแล้วลูกไม่ต้องเรียนอยู่เฉยๆไปก็รู้เองอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงรู้เรื่องอะไรใหญ่โตแม้แต่รสอาหารไม่ว่าไหนเผ็ดไหนเค็มเราต่างคนต่างรู้แม้ว่าจะนั่งร่วมวงรับประทานอยู่ด้วยกันก็จริงความรู้ว่าอร่อยแค่ไหนอร่อยอย่างไรอร่อยมากอร่อยน้อยเท่าไหร่ก็ต่างคนต่างรู้มาตรงนี้บางท่านอาจคิดสงสัยว่างานบางอย่างใจคนละดวงก็ช่วยกันทำได้เหมือนกันเช่น มีปัญหาอะไรยุ่งยุ่งเราช่วยกันคิดช่วยกันขบเหล่านี้ความจริงแม้การช่วยกันคิดนั้นการทำงานของจิตใจจริงๆก็ต่างใจต่างทำเป็นแต่ว่าทำเสร็จแล้วจะเอาผลงานนั้นมายื่นให้อีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่พูดตอนนี้ต้องการชี้ให้เห็นสมรรถภาพของใจว่าใจเป็นธรรมชาติที่คล่องแคล่วสามารถทางานสาคัญละเอียดได้หลายอย่าง ก็เป็นการชี้ให้ท่านดูไว้ว่าใจของคนที่ท่านจะครองนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรและที่เอามาว่านี้เฉพาะเรื่องงานของใจเพียงย่อดๆเท่านั้นท่านผู้ใดต้องการทราบรายละเอียดกว่านี้โปรดดูหนังสือปาทกถาเรื่องจิตตอนที่ว่าด้วยกิริยาอาการลักษณะและที่อยู่ของจิต11อาหารใจประเด็นต่างๆที่เราศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันเช่นเรื่องรูปลักษ์เรื่องที่อยู่เรื่องการงานและอื่นๆแต่ในบรรดาเรื่องเหล่านั้นมีเรื่องใหญ่ยิ่งอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาจะข้ามไปเสียไม่ได้คือเรื่องอาหารเพราะชีวิตทุกๆชีวิตอยู่ด้วยอาหารถ้าจะเปรียบชีวิตเหมือนเปลวไฟตะเกียงอาหารก็เปรียบกับน้ามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในตะเกียงและคอย ซึมขึ้นไปหล่อเลี้ยงเปลวไฟอยู่บนปลายไส้เถกียงนั่นเองน้ำมันมีเปลวไฟก็อยู่น้ำมันหมดเปลวไฟก็ดับชีวิตก็เหมือนกันอาหารมีชีวิตก็อยู่อาหารหมดชีวิตก็ดับทั้งนี้หมายถึงชีวิตที่ดําเนินไปตามปกติไม่มีเหตุตัดรอนส่วนชีวิตที่ดับลงทั้งๆ ท, ท, ที่อาหารยังเต็มท้องนั่นเป็นเหตุพิเศษไม่ได้พูดถึง ไฟตะเกียงที่ว่านั้นก็เหมือนกันน้ำมันยังเต็มกระปุกเปลวไฟก็ดับได้ในเมื่อต้องลมแรงสิ่งที่มีการเติบโตได้ทุกชนิดต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงต้นไม้พืชผักเถาวัลย์และอื่นๆกินอาหารคือน้ำปุ๋ยและอากาศและทรงชีวิตอยู่ได้แต่จำพวกชีวิตล้วนๆหรือชีวิตโดดๆไม่มีใจครองกับพวกชีวิตที่มีใจครอง มีความยุ่งยากในเรื่องอาหารต่างกันอยู่คืออาหารนั้นตามปกติมีผลสองอย่างคือกอเพื่อบำรุงและขอเพื่อบำเรออาหารบำรุงได้แก่อาหารประเภทหล่อเลี้ยงให้ตัวเติบโตและมีชีวิตอยู่จริงๆเช่นต้นไม้กินน้ำปุ๋ยอากาศวัวควายกินหญ้ากินน้ำเป็ดไก่กินกแกลบกินรำและคนกินข้าว อย่างนี้เรียกว่าอาหารบำรุงทุกๆชีวิตขาดไม่ได้ถ้าไม่ได้กินตามคราวที่ควรจะกินตัวก็ซุดโทมถ้าไม่กินเลยก็ตายส่วนอาหารประเภทขอคืออาหารบำเรอชีวิตที่มีใจครองเท่านั้นที่ต้องการอาหารประเภทนี้ได้แก่สิ่งบำเรอใจต่างๆเช่นรูปที่สวยการประดับตกแต่งที่หรูหราเสียงเพลงเพราๆกลิ่นหอมรวยรื่น ตลอดจนคำสรรเสริญเยือนยอและสวนเสกกระซิกกระซี้ต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารเหมือนกันแต่เป็นอาหารบําเรอบุรี่สุราก็อยู่ในประเภทอาหารบําเรอด้วยอาหารประเภทบําเรอนี้นจาพวกชีวิตที่ไม่มีใจครองเขาไม่ต้องการอย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าพืช ผ, ผักในสวนในนาเสียงร้องเสียงราไม่จาเป็น รูปสวยหรือขี้ริ้วขี้เหร่ ก, ก็ไม่รู้เรื่องข้าวปลูกที่ชาวนาหว่านลงในนานั้นแม้ว่าชาวนาจะแต่งตัวขมุกขมอมอย่างไรก็ช่างเมื่อหว่านมันลงในพื้นดินที่มีอาหารบำรุงดีๆแล้วมันก็งอกงามเต็มที่แต่ถ้าพื้นนาไม่ดีต่อให้นางสาวไทยหรือนางสาวโลกมาหว่านมันมันก็คงงอหงอกไปตามเรื่อง นี่มันไม่เห็นแก่สวยหรือไม่สวยไม่เหมือนพวกมนุษย์เห็นแก่อาหารประเภทบำเรอนักต่อให้อาหารอย่างวิเศษเท่าไหร่ก็ตามถ้าคนขี้เรตัวดำก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยถึงขนาดแต่ถ้าคนเลี้ยงเป็นสาวๆหน้าฉลามดูบ้างแม้แต่ข้าวคลุกน้ำปลาก็รู้สึกว่าอร่อยอย่างกับไม่เคยพบเคยเห็นจำพวกมีใจครองทุกชนิดต้องการอาหารทั้งสองประเภทคืออาหารบำรุง ทั้งอาหารบำเบอร์พูดมาตรงนี้บางท่านอาจสงสัยว่าจาพวกสัตว์เดรัจฉานมีใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นมันต้องการอาหารบำเบอรซึ่งความจริงในพวกสัตว์เดรัจฉานก็ต้องการอาหารบำเบอรเหมือนกันแมนลงผู้ชอบโฉบวนเวียนคลึงเคล้าในสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้งา ม, งามและบานสะพรั่งแมนลนแรงเมาเริงเล่นกับแสงสว่างนกเล่นหนูซุกตัวอยู่ในรังที่ กรุด้วยของอ่อนนุ่มไก่สุนัขมา้าและโครกระบือตัวผู้ชอบติดสอยห้อยตามและเสียดสีตัวเมียพฤติการเหล่านี้คือลักษณะของความต้องการอาหารประเภทบำเรอเหมือนกันข้าพเจ้าเคยอ่านนิตยสารของต่างประเทศเมื่อหลายปีมาแล้วและจำไม่ได้ว่าชื่อหนังสือและชื่อคนในเรื่องว่าอย่างไรเพราะไม่คิดว่าจะเอามาพูดมาเขียนแต่จาเรื่องได้ เพราะมันเข้าแง่ทางธรรมะในเรื่องนั้นว่าด้วยปัญหาเรื่องการปราบยุงซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากมากต่อมามีท่านศาสตราจารย์ผู้หนึ่งคนได้วิธีใหม่คือใช้วิธีจับเอายุงตัวเมียมาหลายๆตัวเอาเข้าไปปล่อยในห้องบันทึกจานเสียงให้มันร้องแล้วบันทึกเสียงไว้ในจานเสียงเสร็จแล้วนําเอาจานเสียงนี้ไปเปิดในที่ที่มียุงชุมสักครู่หนึ่ง จำพวกยุงตัวผู้จะมารวมที่หีบเสียงนั้นเป็นจํานวนมากแล้วเขาก็ใช้ยาฆ่าให้ตายไปต่อไปเมื่อยุงตัวผู้ร่อยหรอลงการผสมพันธุ์ระหว่างยุงกับยุงก็น้อยลงจนกระทั่งไม่มีวิธีนี้ทําให้ยุงหมดได้เหมือนกันที่นํามาเล่านี้เพื่อยืนยันว่าพวกสัตว์เดรัจฉานก็ต้องการอาหารประเภทบำเรอเช่นเรื่องยุงนี้ก็หมายความว่า เสียงยุงตัวเมียเป็นอาหารบำเรอที่ยุงตัวผู้ต้องการแต่พวกสัตว์ทะเลฉ า, านถึงต้องการอาหารประเภทบำเรอก็ยังไม่ยุ่งเหมือนคนคนเรานี้หลงไหลกับอาหารบำเรอกันมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งหม่มและสารพัดเรื่องเป็นต้องแฝงสิ่งให้เกิดความเพลิดเพลินใจไว้เสมอตามที่พูดไว้บ้างแล้วในภาคหนึ่งตอนที่ว่าด้วยความงาม ตกลงว่าอาหารทั่วๆไปมีอยู่สองประเภทคืออาหารบำรุงอาหารบำรเรอถึงเวลาพูดเราก็ชอบพูดต่อกันว่าบำรุงบำรเรออาหารจะพวกบำรุงเป็นเครื่องยังชีพจริงๆส่วนจะพวกบำรเรอนั้นไม่ใช่ของยังชีพโดยตรงเป็นแต่เพียงเครื่องประดับใจให้สดชื่นบ้างเท่านั้นที่ว่ามานี้เป็นการพูดถึงอาหารทั่วๆไป ทีนี้ย้อนเข้ามาหาเรื่องใจโดยตรงอะไรเป็นอาหารของใจข้าพเจ้ากำลังลำบากใจที่จะนำท่านเข้าสู่ปัญหาที่ละเอียดอีกข้อหนึ่งโดยที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้โปรโดตามข้าพเจ้าไปอย่างช้าๆเพราะเรื่องเช่นนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจธรรมารมเป็นที่ทราบกันดีในวงการนักศึกษาธรรมะว่าใจเป็นคู่กับธรรมารม ซึ่งหมายความว่าใจกินธรรมารมหรือธรรมารมเป็นอาหารของใจสำนวนหนังสือธรรมะรุ่นเก่าท่านใช้คำว่าใจเสวยธรรมารมคำว่าเสวยก็แปลว่ากินนั่นเองแต่ก็น่าเสียดายในวงการศึกษาธรรมะทำความเข้าใจเรื่องธรรมารมแคบเกินไปข้อนี้ได้แก่ตัวข้าพเจ้าเองเมื่อก่อนเข้าใจว่าธรรมารมก็คืออารมณ์ หมายความว่าสับว่าธรรมอารมณ์กับสับว่าอารมณ์มีค่าเท่ากันและเหมือนกันเข้าใจมาอย่างนี้ก่อนที่จะอธิบายต่อไปเชิญพิจารณาภาพประกอบต่อไปนี้ก่อนภาพประกอบเป็นรูปคนโดยที่ตรงส่วนหน้าอกเป็นวงกลมมีอักษรว่าอารมณ์และใจวงเล็บจิต รูปผ่านทางตาแปลงไปเป็นอารมณ์ส่งไปที่จิตเสียงผ่านทางหูแปลงไปเป็นอารมณ์ส่งไปที่จิตกลิ่นผ่านทางจมูกแปลงไปเป็นอารมณ์ส่งไปที่จิตรสผ่านไปที่ลิ้นแปลงไปเป็นอารมณ์ส่งไปที่จิตผัสสะผ่านไปที่ร่างกายแปลงไปเป็นอารมณ์ส่งไปที่จิตธรรมะส่งไปที่จิต จากภาพประกอบนี้ท่านจะเห็นความเป็นไปเกี่ยวกับใจและอาหารของใจหลายอย่างก่อนอื่นโปรดพิจารณาตัวคนเสียก่อนตัวคนเราคนหนึ่งหนึ่งประกอบด้วยอายตนะในวงเล็บคือเครื่องติดต่อ ก, กับภายนอกตัวหกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรายละเอียดเกี่ยวกับอายตนะเหล่านี้ จะอธิบายตอนที่ว่าด้วยสื่อของใจข้างหน้าตอนนี้อยากพูดเรื่องธรร ม, มารมเท่านั้นสราพสิ่งทั้งปวงในพื้นพิภพนี้จะเป็นแผ่นดินบ้านของเรือนปศุสัตว์เงินทองต้นไม้ภูเขาและอื่นๆที่เราถือกันว่าเป็นทรัพย์สมบัติหรือมิใช่ก็ตามตอนที่จะเข้ามาสำเร็จประโยชน์แก่เราจริงๆจะต้องเข้ามาในลักษณะเป็นรูปให้ตาเราเห็น หรือเป็นเสียงให้หูเราได้ยินหรือเป็นกลิ่นให้จมูกเราได้สูดหรือเป็นรสให้ลิ้นเราได้ลิ้มหรือเป็นผัสสะให้ตัวเราได้ถูกต้องหรือเป็นอารมณ์ให้ใจเราคิดอย่างนี้เท่านั้นและสิ่งทั้งห้าเหล่านี้ในการเข้าไปบังคับผลแก่ใจก็บังเกิดในฐานะเป็นอารมณ์เท่านั้นคือรูปกระทบตา ก็ไปเกิดเป็นอารมณ์ให้ใจเสียงกระทบหูก็ไปเกิดเป็นอารมณ์ให้ใจกลิ่นกระทบจมูกก็ไปเกิดเป็นอารมณ์ให้ใจรสกระทบลิ้นก็ไปเกิดเป็นอารมณ์ให้ใจภาษะกระทบร่างกายก็เกิดอารมณ์ให้ใจหมายความว่าสิ่งเหล่านี้มากันคนละทางผลที่สุดก็มาเกิดเป็นอารมณ์ให้ใจคล้ายๆกับว่าผักมาจากนกขปฐม ปลามาจากอายุธยาพริกมาจากทางบางช้างกะปิมาจากเมืองชนน้ำปลามาจากระยองมากันคนละทิศละทางแต่ตอนจะเข้าปากเข้าท้องเราสิ่งเหล่านี้ก็มารวมกันเกิดเป็นแกงให้เรารับประทานอย่างนี้ถ้าใครถามว่าอะไรเป็นอาหารปากเราจะตอบว่าผักปลาพริกกะปิน้ำปลา เป็นอาหารก็ว่าได้ถูกเหมือนกันหรือจะตอบรวมกันว่าแกงเป็นอาหารก็ได้แล้วแต่จะหยิบเอาตอนไหนขึ้นมาตอบเพราะว่าจำพวกผักพวกปลาเหล่านั้นก็มาเป็นแกงก่อนแล้วจึงเข้าปากเข้าท้องนี่ดูจากนอกเข้ามาทีนี้ถ้าจะดูย้อนจากข้างในออกไปข้างนอกแกงในชาม บ, บนโตะนั้นก็มาจากผักปลา พริกกะปิจากหัวเมืองต่างๆท่นเองเรื่องอาหารใจก็เหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะก็เปรียบเหมือนผักปลาพริกและอื่นๆซึ่งมาจากคนละทิศละทางแล้วก็มาปรุงให้เป็นอารมณ์ให้ใจได้เสเวยอารมณ์นั้นเปรียบเหมือนแกงในชามที่ว่ามาแล้วอย่างนี้ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นอาหารของใจ ท่านผู้อ่านก็ตอบได้แล้วใช่ไหมจะตอบว่ารูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะเป็นอาหารใจก็ว่าได้หรือจะว่าอารมณ์เป็นอาหารใจก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จะหยิบเอาตอนไหนมาตอบถ้ามองเข้ารูปเสียงและอื่นๆเหล่านั้นก่อนจะเข้าถึงใจก็แปรเป็นอารมณ์ก่อนถ้ามองออกอารมณ์นั้นก็มาจากสิ่งทั้ง5าเหล่านั้นเอง แต่ถ้าเราจะตอบอย่างชนิดไม่ให้ดิ้นได้แล้วข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องตอบว่าอารมณ์เป็นอาหารใจแต่นี่เพิ่งว่ามาได้ซีกเดียวของอาหารใจคือพูดถึงอารมณ์ที่เกิดจากสิ่งทั้ง5าเท่านั้นยังมีอาหารใจที่มาจากอีกทางหนึ่งคือทางธรรมะธรรมะนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นทางใจโดยตรงไม่ต้องได้เห็นอะไรไม่ต้องได้ยินอะไรอยู่เฉยๆก็เกิดขึ้นได้เช่น ความกระตัญยูความซื่อสัตย์ความสงบความรอบคอบและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นแก่ใจได้และชุบย้อมบำรุงใจได้นับว่าเป็นอาหารใจอย่างหนึ่งความจริงการที่ธรรมะปรากฏขึ้นในใจนั้นก็เกิดขึ้นในฐานะเป็นอารมณ์ให้แก่ใจเหมือนกันคือนับเป็นอารมณ์อีกประเภทหนึ่งแต่แทนที่จะเกิดจากสิ่งภายนอกทั้งห้าอย่างนั้นก็กลายเป็นว่า เกิดจากธรรมะเท่านั้นด้วยเหตุนี้เวลานับอารมณ์จึงนับเป็น6อย่างคือ1รูปอารมณ์ได้แก่อารมณ์ที่เกิดจากได้เห็นรูป 2. สัทธารมณ์ได้แก่อารมณ์ที่เกิดจากได้ยินเสียง 3. คันธารมณ์ได้แก่อารมณ์ที่เกิดจากได้สูดกลิ่นสรสารมณ์ได้แก่อารมณ์ที่เกิดจากได้ริมรส 5. โผฏฐาอารมณ์ ได้แก่อารมณ์ที่เกิดจากถูกต้องสัมผัสและ6ธรรมอารมณ์ได้แก่อารมณ์ที่เกิดจากธรรมะที่ตั้งชื่ออารมณ์เป็นหลายอย่างเช่นนี้ ua, ก็ตั้งตามเครื่องปรุงอารมณ์ปรุงด้วยสิ่งใดก็ตั้งชื่อว่าอย่างนั้นเช่นเดียวกับเราตั้งชื่อแกงแกงที่ปรุงด้วยไก่เราก็เรียกว่าแกงไก่ปรุงด้วยเนื้อก็เรียกว่าแกงเนื้อปรุงด้วยปลาเราก็เรียกว่าแกงปลา ที่เรียกทุกสิ่งที่เข้าถึงใจว่าอารมณ์นั้นนับว่าถูกต้องเหมาะเจาะทางตำราดีแล้วแต่ข้าพเจ้ายังเป็นห่วงอยู่ว่าท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะเกิดความโงนสนเท่และตีราคาของอารมณ์เหล่านี้เท่ากันไปหมดจึงขอใช้คำเพียงว่าอารมณ์เกิดจากสิ่งภายนอกทั้งหใช้คำว่าอารมณ์ส่วนที่เกิดจากธรรมะใช้คาว่าธรรมะเฉยๆลังปรากฏในภาพประกอบ ทำไมข้าพเจ้าจึงเป็นห่วงว่าท่านจะตีราคาอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ให้ผลไม่เหมือนกันหรืออย่างไรถูกแล้วไม่เหมือนกันอารมณ์ในวงเล็บที่เกิดจากสิ่งทั้ง5เป็นอาหารบำรเรอใจเท่านั้นธรรมะเป็นอาหารบำรุงใจตารางเปรียบเทียบอาหารใจอาหารประเภทบำรเรอชื่ออาหาร ให้ผลเห็นคนงามๆครึ้มใจฟังเพลงเพราะๆ เ, เริงใจได้กลิ่นน้ำอบหอมมชื่นใจลิ้มรสแปลกๆดีใจสัมผัสนิ่มๆชอบใจและอื่นๆ อ, อาหารประเภทบำรุงชื่ออาหารให้ผลสัทจาจทำให้ใจมั่นคงเมตตาทำให้ใจเยือกเย็นสันโดษ ทำให้ใจอิ่มตัวขันติทำให้ใจหนักแน่นวิริยะทำให้ใจกล้าแข็งและอื่นๆจากการเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆอย่างนี้เราจะเห็นความจริงว่าอาหารประเภทบำเรอนั้นให้ผลเพียงทำให้ใจชุ่มชื่นเบิกบานเท่านั้นไม่ถึงกับทําให้จิตใจพัฒนาไปสู่ความดีวิเศษอะไรนักหนาไม่เหมือนกับอาหารประเภทบำรุง ซึ่งมีผลทำให้ใจดีขึ้นบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นจริงๆแต่คนเราโดยมากชอบฝากใจไว้กับอาหารประเภทบำเรอคิดแต่ว่าถ้าได้รูปเสียงกลิ่นรสมาบำเรอใจให้เบิกบานไปวันๆหนึ่งก็พอแล้วเอากันแค่นี้เสียมากมองไม่เห็นความจำเป็นทางธรรมบำรุงใจพลาดท่าเลยเหมาเอาว่าธรรมะเป็นของนอกเรื่อง ได้เห็นคนที่สนใจธรรมะเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนไม่ฉลาดเหมือนตนเองซึ่งทุ่มเทเงินทองและเวลาแห่งชีวิตในการหาอาหารบำเรอใจเท่านั้นวันนี้ดูหนังวันนี้ไป น, น้ำตกพรุ่งนี้นังโลมมรืนบางแสนและอื่นๆทางศาสนาไม่ห้ามการที่เราจะหาทางให้ใจได้รับการพักผ่อนและ ร่าเริงตามการเทศะอันสมควรแต่ตำหนิการที่เราฝากฝังจิตใจไว้ให้กับอาหารประเภทบมเรอโดยไม่ให้อาหารบำรุงใจให้พอเพียงเท่านั้นสิ่งบมเรอทั้งปวงนั้นถ้าจะเปรียบกับอาหารทางกายก็คงเหมือนเครื่องประดับเช่นเป็นต้นว่าน้ำมันใส่ผมแป้งผัดหน้ายาทาปากยาทาเล็บอะไรเหล่านี้ ส่วนธรรมะบำรุงใจเปรียบกับอาหารเครื่องยังชีพเช่นข้าวน้ำแกงผัดและอื่นๆถ้าสมมติว่าใครคนหนึ่งเฝ้าแต่แต่ง ต, ตัวมีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มเทซื้อแต่พวกแป้งผัดหน้ายาทาปากข้าปลาไม่กินคือแต่งตัวแต่ไม่กินอาหารท่านจะเห็นเป็นอย่างไรเป็นวิธีที่ผิดหรือถูกแน่แล่ะ ผลจะปรากฏว่าขบวนเครื่องประดับตัวของแกใกล้จะเป็นนางฟ้าเข้าทุกทีแต่ร่างกายของแกสิใกล้จะกลายเป็นผีทุกลมหายใจไม่ช้าเครื่องแต่งตัวก็จะกลายเป็นเครื่องแต่งศพไปเท่านั้นเช่นเดียวกันท่านเถีรักคนที่ฝากใจไว้กับอาหารบะมเรออย่างเดียวแต่ไม่ให่อาหารบะมรุงใจของเขาจะเหี่ยวแห้งผอมโซอดอยาก ผลที่สุดก็เป็นใจไฝ่ต่ำถ้าว่ากันอย่างไม่เกรงใจก็ต้องว่าเขากลายเป็นเปรตเป็นผีลงไปทุกขณะหนักเข้าก็เที่ยวหลอกชาวบ้านชาวเมืองให้เดือดร้อนวุ่นวายซึ่งเห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วจะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าใครจะย้าว่าใจของคนเราทุกๆดวงใจย่อมจะต้องพัฒนานการไปได้ดีที่สุดในเมื่อเราพยายามป้อนอาหารให้แกิใจให้ถูกส่วน คือให้อาหารประเภทบำรุงให้พอกับความเติบโตของใจและเมื่อใจเกิดความเหน็ดเหนื่อยตึงเครียดก็ให้ได้รับการผ่อนคลายด้วยอาหารประเภทบำเรอแต่พอเหมาะสมสำหรับด้านทางครองใจคนการที่เรารู้จักลักษณะอาหารทางใจย่อมทำให้เราพบจุดที่จะจับใจคนอื่นอีกจุดหนึ่งคือด้านอาหารจำไว้ในชั้นนี้เพียงย่อยๆก่อนว่า ใจทุกดวงชอบกินอาหารทั้งนั้นต่างแต่ว่าใครจะชอบอาหารประเภทบำรุงมากกว่าประเภทบำรเรอหรือชอบประเภทบำเรอมากกว่าประเภทบำรุงในชอบชนิดปรุงด้วยรูปหรือปรุงด้วยเสียงหรือปรุงด้วยกลิ่นหรือปรุงด้วยรสและอื่นๆคนที่ชอบกินของสดคาวถ้าได้รับรองด้วยกุ้งพล่าปลายำก็ชอบใจรักคนขามาเลี้ยง ทางด้านอาหารใจโดยตรงก็เหมือนกันลองปรุงอาหารใจให้เขาเหมา ะ, มาะการคลองใจก็จะสำเร็จผล